เราเคยได้ยินได้ฟังแต่ได้ศึกษากันมามากพอสมควรแต่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจว่าธรรมนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดของเราเลยไม่มีในเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จะแสวงหาธรรมนั้นจึงเป็นของยากลาบากเหลือเกิน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 เป็นวิชาการสำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างตนเองและฐานะจนกระทั่งเกียรติยศเกียติศักให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลาดับวิทยาการทางโลกนั้นเราสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแ ป, ปลงไปได้หลายทางทั้งทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม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 ใครมีวิชาวความรู้มีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็าตามหรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็าตามเช่นมีตัณหาความท่าเยอทายานหยาบในทรัพสมบัติแระลาบยศสันสนจะถ่ายนท่ายเยอทายานมากมายเพียงใดก็าตามแต่เราเอาศีลน่เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ ศีนห้าจึงเป็นหลักการสำหรับให้กิเลสให้เกิดประโยชน์ในสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีนห้าประการนี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากว่าสังคมมีศีนห้าประการนี้เป็นเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา <c oughs> สังคมสามารถที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสงบ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 เราอาจจะคิดว่าเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ได้ยินคำบอกเล่าที่คนที่เข้าไปรู้ไปเห็นแล้วก็บอกเล่าให้ฟังเขาว่าในประเทศเกาหลีนั้นเขาเยีดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอยู่สามข้อหนึ่งอตาหิอัตนโนนาถูตนเป็นที่พึ่งของตนสอง วิริเยณะทุกขมัจเจติจะร่วงทุกไปได้เพราะความเพียรประการที่สามสามคีสมคขานังตะโปสุโ ข, ขความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติและได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องลนนรง์เพื่อให้ประชากรทั้งอของประเทศ ได้ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันคือเขาถือคติอย่างนี้เขาถือว่าอตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของของตนเขาถือหลักง่ายๆว่าในเมื่อเราประสบกอุปสรรคใดๆจะยากง่ายเพียงใดก็าตามเขาถือคติว่าเขาจะต้องพยายามช่วยตัวเองจนกว่าจะหมดความสามารถ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 ศึกษาเราเรียนธรรมะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นถ้าหากว่าจะทำเป็นจิตแต่ลักษณะหรือตามแบบฉบับของการทำสมาธิบรานาจารย์ท่านสอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคือเจริญส ม, มวิหารนั่นเอง อันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจทีนี้ในเมื่อท่านทําวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบฉบับที่พระพุทธบาแบบตามแบบที่มือนเหมือนกับพระพุทธโลกนั่งขัดสมาธิเอามือขวาวางเอามือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไป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 แล้วก็กําหนดลงที่จิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นนึกพุทโธเฉยเฉยนึกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทเฉยเฉยอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบ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 จนกระทั่งความตั้งใจที่จะนึกพุทโธหายขาดไปแล้วจิตของเรายังนึกพุทโธโดยอ่าเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตมาติดกับพุทโธและนึกพุทโธโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปแล้วเมื่อจิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้น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 เมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วจิตก็สงบลงไปเรื่อยๆเกิดติเกิดความสุขในตอนนี้จิตของผู้ภาวนารู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งได้เมื่อมีความสุขแล้วนิวรธาคือการมาฉันทะพยาบาทเทนะมิธาอุทัจจะปุกุจจะ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 จิตของผู้ภาวนาจะาไปสงบนิ่งนิ่งสว่างอยู่มีสภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นกายหายไปหมดแล้วทุวกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่มีปรากฏมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้คือการภาวนาซึ่งสำเร็จด้วยการบริกรรมภาวนาเป็นการภาวนาในขั้นต้น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 กำหนดรู้ตามกายภายนอกคือหมายถึงว่าทำสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวเดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืนนั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอนกินดื่มทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียว อันนี้เป็นการกําหนดกายคตาสติในภายนอกส่วนการการกําหนดกายคตาสติภายในนั้นหมายถึงการกําหนดอาการสามสิบสองคือพิจรารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นให้น้อมจิตต้อมใจไปในแง่แห่งความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียด โ, โครกคือพิจรารณาว่าผมก็ไม่งาม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 สามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ก้าวไปสู่ภูมิความรู้ไปสู่ภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือผลแห่งการภาวนาในขั้นต้นเป็นอันสรุปได้ใจความได้ว่าการภาวนาหรือการทาจิตทาใจนั้นเราเราจะสรุปขั้นตอนได้เป็นสามขั้นตอนหนึ่งขั้นบริกรรมภาวนา